โอกาสนี้เราจะได้ฟังทำกันก เ, เพื่อที่จะได้เป็นผู้ตื่นจาก <c oughs> การหลับไหลเป็นผู้ตื่นจากชีวิตที่พวกเรายังหลงอยู่ ฉะนั้นหนทางที่องค์สมเด็จนะพระผู้มีพระภาคเนี่ยที่ชี้ให้เบญยศัสตรนะ์น้อยใหญ่ที่ดำเนินสู่อริยมรรคอริยผลนะจริงแล้วก็มีข้อปฏิบัติหลายอย่างตั้งแต่ เริ่มจากศีลหศีล8ศีล 10, ส0ศีลสองดก็ 7, <c oughs> ดูว่าผู้มีความปรารถนาต่อธรรมศรัทธามีกำลังเท่าไรการปฏิบัติก็จะมีการเสียสละมากเท่านั้น อ้รมาก็พยายามกำหนดดูว่าทำไมชีวิตมนุษย์จนก็ไม่มีสุขรวยเกินมากไปก็ไม่มีสุขและกความพอดีของชีวิตมันอยู่ตรงไหนก็มานั่งกำหนดดูว่า มนุษย์ความเป็นมนุษย์ต้องอยู่แบบไหนจึงชื่อว่ามนุษย์ผู้ประเสริฐถ้าค้นหาในผู้ปฏิบัติญาณโยมแล้วจะเข้าใจในที่สุดความเป็นมนุษย์เริ่มจากคำว่ามนุษย์ ต้องมีความจริงใจมนุษย์ต้องรู้จกกักคำว่าความรักที่ถูกต้องและมนุษย์ต้องรู้ชีวิตที่มีเมตตาและมนุษย์ท้ายที่สุดต้องเข้าใจถึงชีวิตที่เป็นอิสระ เสรีภาพอยู่เหนือสิ่งผูกมัดทั้งปวงก็คือคำว่าอิสระขาดอย่างใดอย่างหนึ่งชีวิตไม่พ้นทุกชีวิตไม่พ้นทุกย้อนกลับมาฟังดูว่าคนที่ขาดความจริงใจ จะอยู่กับใครอยู่ที่ไหนฐานะยากมีรวยจนเพียงใดในที่สุดสุดท้ายก็จะไม่มีใครที่จะคบเราแท้จริงแล้วเราก็ไม่เคยคบใครแท้จริงหวังเพียงคำว่า เขาให้ตนได้เขาให้มีผลประโยชน์เขาให้ตนได้เปรียบจะ ก, กหกคนทั้งโลกก็ย่อมได้สร้างภาพมายาคำพูดหลอกลวงอากับกิริยาไม่ซื่อตรงแสดงได้หมดทุกบทบาท ถ้าจิตใจคนเหล่านี้ไม่จริงใจสุดท้ายเมื่อหลอกคนอื่นหมดแล้วคนสุดท้ายก็คือหลอกตัวเองน่ากลัวที่สุดเมื่อหลอกคนทั้งโลกเสร็จเรียบร้อยในที่สุดไม่มีใครแล้วก็จะหลอกหลอนตัวเอง มันเป็นสันดานที่ฝังมานานที่สุดตนเองก็หลอกตอนเองแล้วก็ไม่เชื่อใจใครระแวงไปหมดกลัวไปทุกเรื่องนั่นคือความคิดเริ่มหลอกตัวเองว่าเขาก็จะเหมือนเราสิ่งที่เราได้มา ก็กลัวว่าคนอื่นก็จะทำเหมือนที่เราทำคนอื่นคำพูดทั้งหมดเชื่อไม่ได้การกระทำทั้งหมดเชื่อไม่ได้คนที่อยู่ใกล้เราที่สุดก็เชื่อไม่ได้น่ากลัวที่สุดตัวเองหลอกตัวเองผู้ภาวนานกปฏิบัติ กำหนดคำนี้แล้วชีวิตมันน่าสมเพชน่าสงสารน่าเวทนายิ่งกว่าสิ่งใดๆที่สุดหาความจริงใจไม่ได้ความรู้สึกแท้จริงอยู่ไหนไม่รู้มีแต่ความรู้สึกจอมปลอมหน้าตาจอมปลอมคําพูดจอมปลอม เสียงหัวเราะจอมปลอมสุดท้ายก็จะเป็นคนที่ระแวงสะดุ้งกลัวมองใครก็เหมือนคิดว่าใจที่ตนทำคนอื่นก็จะทำเหมือนที่ตนคิดที่ตนทำนอนหลับก็ฝันร้าย สะดุ้งตื่นขึ้นมาก็มีแต่ความหวานระแวงเชื่อใจใครไม่ได้ชีวิตอย่างนี้ต่อให้ได้อะไรมาทั้งโลกเขาเหมือนสูญเสียเมื่อสูญเสียชีวิตจริงก็เท่ากับสูญเสียจิตใจที่แท้จริงไปนี่คือความทุกข์ข้อที่หนึ่ง มนุษย์ผิดพลาดตรงนี้มากข้อที่สองเมื่อมนุษย์ไม่เข้าใจความรักอันบริสุทธิ์ความรักอันแท้จริงมนุษย์เข้าใจเข้าใจแต่คำว่าความรักที่ เห็นแก่ตัวความรักที่เห็นแก่ตัวนี้ไม่ใช่คือความรักที่แท้จริงเป็นความรักที่ผูกมัดตัวเองถ้าอะไรที่ตนชอบรักต้องเอามาให้ได้จิตใจอย่างนี้พูดว่ารักแต่ไม่เข้าใจคำว่ารัก เขาไม่รู้คำว่าความรักจึงเรียกว่าจิตไรรักทั้งๆ ท, ท, ที่มีความรักอยู่แต่เขาไม่รู้จึงบอกว่าคนที่ไม่มีความรักชีวิตมีแต่ทุกข์น่าสงสารบางคนตายไปไม่มีใครร้องไห้เลย แม่หยดน้าในกองไฟยังไม่มีให้แม่หยดเดียวเขาเรียกว่าตายแบบไม่มีความรักเลยโลกใบนี้ถ้าไม่มีใครรักเราเลยโยมลองนึกดูว่ามันอยู่ยังไงมันน่าสมเพชไหมคนคนนี้ทั้งโลกไม่มีใครรักอีกแล้ว มองดูรอบกายทุกอย่างมาลายหมดแล้วนี่คือความผิดข้อที่สองถ้าเราทำผิดกับคนอื่นมากเท่าไหร่เราก็ทำผิดกับตัวเองมากเท่านั้นน่าเสียดายเราไม่รู้จักความรักที่แท้จริงเท่าไหร่ ใจของตัวเองก็ไม่เข้าใจความรักเท่านั้นสุดท้ายมันจะสูญเสียแล้วเราก็ไม่มีคนที่รักเลยน่าเสียดายคนนี้ไม่มีใครที่จะกล้าเสียสละให้เลยคนนี้ไม่มีใครที่จะปรารถนานดีให้เลย โอ้ถึงจะนั่งอยู่บนกองเงินกองทองแต่สูญเสียความรักไปหมดแล้วเนี่ยจิตใจจะอยู่ยังไงอยู่อยู่ไม่ได้ฉะนั้นมนุษย์ที่กลัวอยู่ทุกวันนี้ก็คือ สูญเสียความรักเห็นไม่คนอายุมากๆคนเท่าคนแก่คนมีอายุหรือหนุ่มสาวที่กลัวที่สุดกลัวว่าเราอยู่อย่างไม่มีความรักหรือไม่มีคนรักเราบางคนก็เรียกร้องความสนใจเยอะบางคนก็พยายามแสดงให้ว่าตัวเองมีตัวตนนะ ตัวเองมีความรู้สึกมีความต้องการอะไรก็พยายามบอกทุกคนอย่างต้องการจิตวิญญาณก็คือความรักลูกเกิดมามีสื่อใจถึงกันก็คือความรักและความเอ็นดูแม่มีต่อลูกลูกก็เริ่มได้แล้ว แม่เป็นผู้ให้ความรักและแม่เองก็ต้องการความรักจากลูกเช่นเดียวกันแต่ถ้าอยู่ไปอยู่มาความรักมันสูญหายไปตอนไหนเวลาใดแล้วคิดหรือว่าโยมจะเดินกลับมาหาเจอมันไม่ใช่วัตถุไม่ใช่สิ่งของที่หายแล้วก็หาเจอ ระวังความผิดข้อที่สาระวังความผิดข้อที่สองนี้ให้ดีอย่าให้ความรักนั้นตายจากเราไปถ้าจะไม่ให้ความรักตายจากเราเราต้องรู้จักรักผู้อื่น ต้องรู้จากความรักผู้อื่นและต้องรู้จากถนอมมันถนอมมันไว้ความรักคำนี้ไม่จาเป็นต้องพูดว่าเป็นกิเลสตัณหาไม่ใช่พูดเรื่องคำว่ากาบไม่ได้หมายถึงความรักเฉพาะตรงนี้แต่เป็นความรักที่มนุษย์มีซึ่งกันแลกัน และมนุษย์ก็สามารถมีให้สัตว์ก็ได้สัตว์ก็มีให้กับมนุษย์ก็ได้โยม่าสุนักรักเจ้าของไหมโอ้สุนักบางตัวเนี่ยเขาเฝ้าเจ้าของเขาห่วงถ้ากลับมาเขาจะดีใจนะวิ่งมารับเลยกระโดดถึงเอวนะ จนเสื้อผ้าเนี่ยยับหรือจะขาดด้วยมันดีใจหายไปสองสามวันพอกลับมามันโดดใสใหญ่เลยนั่นเขาแสดงถึงเรามีค่าพอกลับมาเขาจะดีใจนั่นแหละคือความรักที่แสดงออกให้เห็นแสดงว่าเขามีใจกับเราเขาดีใจแม้สัตว์เขาพูดไม่ได้แต่เขาแสดง แสดงพอเราจากไปดีเขาก็นอนตาห้อยสมรอแสดงว่าสัตว์ก็ยังมีใจกับมนุษย์มนุษย์เองพอจากไปก็ยังคิดถึงเพียงคิดว่าเขาได้กินข้าวหรื อ, อยังดื่มน้ำหรื อ, อยังเจ็บป่วยไหมแค่นี้แหละ ก็มาจากสายแยงรักที่มีอยู่ถ้ามนุษย์ขาดคำนี้จิตใจแห้งเหี่ยวเหมือนเป็นซากศพคนไม่มีความรักที่เดินเหมือนซากศพยมยันนึกว่าพระอระหันต์ไม่มีความรักมีตมาเคยบอกไงนึกถึงรักเพื่อนนึกถึงมิตรภาพนึกถึงความรักของเจ้านาย ความซื่อสัตย์เอื้ออาทรซึ่งกันและกันนึกถึงความรักแห่งประเทศชาตินึกถึงความจงรักภักดีนึกถึงพี่น้องความรักนึกถึงสายเลือดนึกถึงความรักของครูอาจารย์การประสิทธิ์ประสาทพิชาความรู้ ในแะแนงสาขาน้อยใหญ่พอนึกถึงความรักของพ่อแม่คิดถึงการถูกเลี้ยงดูบุญคุณที่ต้องทดแทนคือความรักที่มีกตัญญูมันมีเหตุผลที่อยู่ในนี้หมดแหละและความรักของหนุ่มสาวคิดถึงการมีครอบครัวการอยู่ร่วม ทุกร่วมสุขร่วมชะตากรรมอันเดียวกันย่มเชื่อไหมการร่วมชะตากรรมที่เป็นภาพรวมที่สุดไม่มีชะตากรรมไหนร่วมสุขร่วมทุกข์ได้ยิ่งกว่าสามีภรรยานี่จะมาพูดเป็นภาพรวมนะไม่เอาเป็นบุคคลถ้าบุคคลบางเรื่องอาจจะจบเร็ว แต่โดยภาพรวมๆแล้วส่วนมากความรักสามีภรรยาร่วมทุกข์ร่วมสุขจะมีมากฉะนั้นทุกคนต้องมีและถ้าเราสูญเสียสิ่งเหล่านี้หมดเลยเท่ากับโยมสูญเสียทุกอย่าง คนไม่มีเพื่อนตั้งแต่เกิดมาเลยจนตายมันใช่ไหมโยม่บางมันก็ไม่ใช่จริงอยู่อาจจะคบกันสิบคนสุดท้ายอาจจะเหลือเพียงคนเดียวที่พอจะคบได้ที่จะพูดความจริงกันได้ที่จะพอเล่าสู่กันฟังได้ แต่ถ้าเกิดมาไม่มีเพื่อนเลยจนวันตายเขาสูญเสียความรักของเพื่อนเขาไม่รู้จักนา่งสารเกิดมาเป็นมนุษย์ชีวิตหนึ่งไม่รู้คําว่ามิตรภาพคบไปคบมาอาจจะเหลือแค่นหนึ่งแล้วคนที่ดีกับเราคนนั้นอาจจะตายไปแล้วก็ยังเป็นความรักที่ทรงจําได้ก็ยังมีมิตรภาพอยู่ไม่เสียหาย ครบสีห้าคนอาจจะครบแล้วมันไม่ใช่เหลือหนึ่งก็ยังดีหรือหมดไปแล้วความตายของเพื่อนแต่ยังอยู่ในใจนั่นก็ถือว่าเรายังมีมิตรภาพนึกถึงกันอยู่ได้บางคนสูญเสียถ้าไม่มีตั้งแต่เริ่มเกิดจนตายคนนี้เสียดายเกิดมาไม่ได้สัมผัส คำว่ามิตรภาพบางคนเกิดมาลูกคนเดียวพอคิดถึงสายเลือดคำว่าพี่น้องเขาไม่เคยสัมผัสเลยความรักของน้องเป็นอย่างไรความรักของพี่เป็นอย่างไรน่าเสียดายนะคนที่เป็นลูกโทรเนี่ยโยก เขาไม่รู้ว่ามีน้องสาวหรือมีน้องชายหรือมีพี่สาวหรือมีพี่ชายเป็นอย่างไรอาจจะดูคนข้างบ้านแต่มันก็ไม่เหมือนแสดงเองกับดูเขาเนี่ยยังไงก็ไม่เหมือนแต่ถามว่าเป็นความผิดไหมไม่ผิดไม่ผิดแต่ถ้ามีแล้วไม่นึกถึงสายเลือดผิด ความรักมันหายไปไหนหมดสงสัยคนนอกบ้านเรายังคบเป็นมิตรได้แต่คนในบ้านใหญ่สายเลือดมันไม่ค้นเหรอแสดงว่าเป็นโรคเลือดจางทำไมเลือดไม่คน้น เลือดพี่เลือดน้องแสดงว่าอยู่เราไม่มีความรักให้ซึ่งกันและกันมันจึงขาดสบันเยอะแยะพี่น้องที่ขาดกันเพราะไม่มีความรักต่อสายเลือดแต่ถ้าต่างคนต่างรักษาไว้ยังไงเสียสายเลือดไม่ขาด และค้นกว่าน้ำแน่นอนพอมีเรื่องขึ้นมาก็รู้สึกทุกแทนได้เจ็บแทนได้พอมีสิ่งที่ต้องช่วยเหลือยังไงก็ต้องช่วยนี่นึกถึงสายเลือดแห่งความรักแต่บางคนได้ทำลายไปแล้วนี่คือความผิดข้อที่สอง บ้านพี่น้องครอบครัวใยสายเลือดที่เกิดร่วมท้องมารดาเดียวกันจึงขาดสะบั้นลงต่อมาว่าไม่น่ามีเหตุผลไหนที่จะทำลายได้แต่ก็ยังมีเหตุผลทำลายสายเลือดเดียวกันได้เหตุผลเดียวเราไม่มอบความรัก อันแท้จริงซึ่งกันและกันนี่คือข้อผิดข้อที่สองพี่น้องกันเลยขาดส บ, บั้นกันหมางเมินกันบางคนก็บอกว่าตายแล้วไม่ต้องมาเผากันอาฆาตกันเป็นศัตรูกันในที่สุดศึกสายเลือดมีให้ดูเยอะแยะ ไม่ว่าประเทศไหนไทยจีนมีหมดฝรั่งก็มีนี่คือความผิดข้อที่สองที่เขาไม่เข้าใจความเป็นมนุษย์เสียดายโยมจะให้เสียไปนะถ้าเสียไปแล้วตารมะก็พูดได้คำเดียวว่าเสียดาย เสียดาบางคนก็เสียมิตรภาพเพื่อนไปแล้วบางคนก็สูญเสียทางสายเลือดบางคนก็สูญเสียทางนายแล้วบ่าความซื่อสัตย์ถโยมไม่ซื่อสัตย์ตอนนายโยมก็สูญเสียความรักของนายไปแล้วและถ้านนายไม่ซื่อสัตย์ต่อบ่าวไม่ให้คุณต่อบ่าว นายก็ผิดเพราะเขาพักเขาซื่อสัตย์แล้วทำไมเราจริงไม่ดีกับเขามีขนมนมเนยก็มาแบ่งกันมีเสื้อผ้าอาหารก็มาแบ่งปันกันเราหัวเราะคนอยู่กับเรายัางร้องไห้อยู่มันผิดหลัก ของชีวิต ท, ที่อยู่ร่วมกันจะไมต้องถามมาร้องทำไมอะไรช่วยได้ความรักระหว่างนายกับบ่าวต้องให้เขาเหมือนเจ้าวาดกับลูกวัดลาบสักการะมีต้องแบ่งกันต้องแบ่งกัน เจ็บป่วยไข้ก็ต้องดูแลก็อย่าให้ท่านอดอยากลำบากสมณส า, ารูปตรงนี้ต้องดูแลท่านอย่าให้ขาดไม่ว่าอัฐบริขารอย่าให้ท่านขาดการขบชันอาหารก็ดูแลท่านอย่าให้ขาดเจ็บป่วยไข้ก็ดูแลท่านอย่าให้ขาด เกิดท่านต้องเดินทางไปไหนมาไหนค่ายโดยานพหานนะก็ต้องมีไว้ให้ท่านได้เดินทางอย่าให้ขาดต้องดูแลกันนั่นคือความรักที่มีต่อการอยู่ร่วมกันยมสูญเสียความรัก ระหว่างพ่อแม่ลูกอย่านะถ้าใครสูญเสียความรักระหว่างพ่อแม่ลูกโยมสูญเสียความกตัญญูพ่อแม่ก็สูญเสียความเป็นพรหมของบุตรเทวดาของบุตรหรืออรหันต์ของบุตรคอ น, นี้ถ้าผิด ไม่น่าเลยมันเป็นข้อใหญ่ความรักข้อที่สองไม่น่าผิดข้อนี้มีครอบครัวไม่ดีตรงไหนใหญ่ต้องทำลายในเมื่อสร้างมันขึ้นมามาจากหนึ่งเจอหนึ่งรวมเป็นสองสองรวมกันมีสามเกิดมาเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกสี่ห้าหก จะเกิดภายหลังตามมาก็สุดแล้วแต่แต่สิ่งเหล่านี้จะให้ความรักผิดพลาดสื่อกันไว้ให้ได้สื่อกันไว้ลูกพ่อแม่แม่พ่อลูกสามีภรรยาบุตร ย่าให้สิ่งนี้ถูกทำลายเธอครอบครัวถูกทำลายความวอดวายสู่ชีวิตใช่ว่าฟ้าลิกิตให้ชีวิตรับเคราะกรรมบางคนโทษแต่กรรมขาดหลักธรรมนำชีวิตมันขาดตรงนี้ใช่ว่าฟ้าลิกิตให้ชีวิตรับเคราะกรรม มันไม่ใช่บางทีเราไม่เข้าใจและก็ไม่เคยดูใจเขาด้วยไม่เคยเอาความรู้สึกใจเขาใจเรามาใส่คิดแต่ว่าเราจะเป็นอย่างนี้เราต้องการอย่างนี้เราไม่ต้องการอย่างนี้และต้องสนองมันไม่ได้โยมนึกดู พ่อแม่เสียลูกไปพ่อแม่เสียใจแค่ไหนท่าลูกตายแต่นี้ลูกยังไม่ทันตายแต่เสียไปแล้วทั้งๆั้งที่มีชีวิตอยู่มันก็ทุกข์เหมือนกันและทุกข์มากกว่าด้วยรู้ว่าทั้งๆัที่มีชีวิตดูเหมือนตายจากกัน ความผิดข้อ น, นี้ตะมาไม่อยากให้เกิดเลยทนหนอมไว้เถอะอย่างน้อยเราก็ให้ชีวิตเขาและอย่างน้อยเราก็ได้ชีวิตจากเขาพ่อแม่ลูกฟูงฟักให้ดีรักษาให้ได้อุปสรรคปัญหาหนักเบาแค่ไหนร่วมมือร่วมใจกัน ฝ่าฟันต่อสู้ชะตาอยู่กับตัวเราชีวิตก็อยู่กับเราฝ่าพายุฝ่าสายฝนฝ่าแรงลมไปเรื่อยๆล้มคนหนึ่งอีกคนหนึ่งมีกําลังพยุงขึ้นมาล้มสองคนคนหนึ่งยังมีกําลังพยายามหิ้วปีกขึ้นมา ถล้มหมดสามคนกอดกันไว้และพยุงขึ้นมาใหม่นี่คือพลังของครอบครัวและนี่คือพลังแห่งความรักที่มีและไม่มีใครรู้สึกอยากตายมีแต่รู้สึกต้องรักษาชีว้ต่างคนต่างก็ห่วงต่างคนต่างก็มีความเอื้ออาธรต่างคนต่างก็มีความรัก ที่สื่อกันได้ไม่มีใครอยากตายเชื่ อ, อมาเถอะตอให้เป็นโรคร้ายบอกเป็นมะเร็งก็ไม่อยากตายนอกจากมัจจุราชจะยื้อเปยท่านั้นเองให้สมัครใจตายไม่ตายแต่ถ้าความรักล้มเหลว อ, อยู่ก็เหมือนตาย บางครั้งก็คิดวาตายเสียดีกว่าอยู่อยู่ไปก็เท่านั้นมีคิดอยู่เพื่อกินข้าวไปก็แค่นั้นเพราะจิตบิญญ์าณแห่งความรักมันถูกทำลายแล้วและบางครั้งเราทำลายมันเองด้วย นี่คือความผิดข้อที่สองอย่าให้เกิดขึ้นเป็นหลักธรรมทั้งหมดที่มนุษย์ต้องจดจำและต้องเรียนรู้และต้องปฏิบัติให้ได้ถ้าไม่ถนอมมันสิ่งเหล่านี้มันเปราะบางและอายุก็ไม่ยืนยาว เราจใจมันสูญเสียไปไง่ายๆมัจุราชเขาก็ยื้อไปอยู่แล้วเขาจ้องตาเป็นมันอยู่แล้วที่จะกระชากชีวิตสัตว์มนุษย์ต้องพลากกันแต่ละวันแต่ละปีแต่ละเดือนยมถนอมมันแล้วก็รักเอาไว้ให้เข้าใจมัน และโยมจะรู้จักความรักที่แท้จริงในแต่ละอยา่างไม่ว่าพี่น้องพ่อแม่มิตรภาพบ่าวนายครูอาจารย์และความรักระหว่างสามีภรรยาถนอมมันไว้รักษามันไว้ บางคนก็ได้มาแสนยากได้มาแล้วก็อายุสัน้นทั้งที่ไม่อยากจากก็ต้องจำจากบางคนก็รักกันดีหน้าที่การงานก็พลากกันให้แยกกันไปทำเวลามนุษย์ที่หวานซึ้งช่างน้อยนะแต่ที่ขืนขมช่างยาวนานกว่า กำหนดดูและไม่ผิดเหมือนชีวิตวัยรุ่นมีเพียงแค่ปีสองปีสามปีวัยก็ผ่านพ้นเลยไปไวัยต่อไปมีแต่หน้าที่ความรับผิดชอบการงานภาระการดูแลความห่วงใยมันเป็นภาระอันหนักที่มนุษย์ต้องรับทุกคน มีหน้าถึงบนว่าเบื่อมีใครไม่เคยบนเพาเบื่อแต่มาไม่เชื่อเดินหน้ายิ้มทุกวันแต่มาไม่เชื่อจิตระดับปุถุช น, น ย, ยิ้มไม่ได้ทุกวันหรอกเช้าจนยันค่ำหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ไม่ใช่มันไม่คงที่บอกเออ ฉะนั้นกฎข้อที่สองอย่าผิดด้วยความรักที่มีแต่ละอยา่างและข้อที่สมมนุษย์ถ้าขาดเมตตาชีวิตจะสงบเย็นยังไงมีแต่โกรธมีแต่แค้นมีแต่พยาบาทมีแต่เก็บความเจ็บปวดเอาไว้ ทำไมไม่เปลี่ยนเป็นคําอวยพร ล, ล่ะเมื่อเขาทำให้เจ็บเขาทำให้โกรธเขาทำให้เราสิ้นหวังทำไมไม่อวยพรเปลี่ยนคําสาบแช่งเป็นอวยพรถ้าทำได้เป็นโพธิสัตว์พูดจริงไม่พูดเล่นยงลองนึกถึงศัตรูที่เคยมีในอดีตกิดตอนนี้ และยโยมอวยพรก็าสิพูดกับเขาไม่มีค า, าสาบแช่งเมตตาไม่สาบแช่งอวยพรก็ให้เขาได้กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีให้เขามีความสุขอย่าให้เขาต้องมาทนทุกข์จมอยู่กับชีวิตที่เป็นบาปกรรมอีกเลยอวยพรก็ไปเคยรอกระทงไหม พูดสิ่งดีๆนี่แหละอธิษฐานสิ่งดีๆนั่นแหละคือเมตตาเมื่อไรโยมพูดความดีเป็นพูดดีเป็นกับผู้อื่นนั่นแหละคือจิตเมตตาเป็นสีขาวจิตของเราเป็นสีขาวเวลานั้นโยมเห็นหรือไม่ก็ตามมันสว่างอยู่ข้างในแต่ความมืดของผู้ปกครุมไว้หลายชั้นจิงมองไม่เห็นแต่เมื่อไรจิตโยมสะอาดมากขึ้นมากขึ้น ทุกครั้งที่โยมมีเมตตามันจะสว่างหรือเราสัมผัสได้ว่ามันเย็นมันเบาแต่เมื่อไรความเมตตาโยมได้ช่วยเหลือรู้สึกมีความสุขเกิดขึ้นในจิตในใจปิติปราโมทย์เกิดขึ้นโยมลองทาดูเดผู้ภาวนาปฏิบัติถ้าขาดสิ่งเหล่านี้เป็นการผิดข้อที่สามจาก คำสาบแช่งเป็นคำอวยพอรอายมพูดดีเลมันเป็นพรนะอัตมาไม่เคยพูดเราสำนักปฏิบัติแสงดำสองชีวิตไม่มีเงินไม่มีใครคิดว่ารวยจหมกษาทุกใครบอกพระอาจารย์รวสาทุรวยจริงๆไม่เคยจนเพราะใจของอัตมาไม่จนไม่จนรวยตั้งแต่มีสิบหลึงแล้วท่านนะ ไม่พูดไม่ d ด m o ม, มีอยู่สิองม้าสิบพระยังชมเมื่อรวยเลยยังสงสัยรวยยังไงข่ารถเมย์เดินทางไปไม่มีเงินซื้อข้าวกินวันพรุ่งนี้ท่านยังบอกว่ารวยไอ้เล็กมึงไม่จนหลวงปู่พูดยังไงไม่จนไอ้เล็กจะไม่มีข้าวกินพรุ่งนี้บอกไม่จน หลายปีผ่านมาจึงเข้าใจใจที่ไม่จนก็ยังคิดเป็นบุญให้ตลอดยอมเชื่อไหมละ่ะศรัทธามีไม่มีเงินลงไปสะบัวเก็บดอกบัวมาบูชาพระได้เขาบอกถ้าเก็บเองเอาห้าบาท ถ้าเก็บให้คิดสิบบาทศรัทธามีกลัวอะไรลงนะ้ำคันก็คันเดิกเก็บดอกบัว ม, มามาบูชาพระมาบูชาครูบาอาจารย์องค์บําเพ็ ธ, ธรรมพระสสคงและครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือตลอดถึงพ่อแก่ที่เราเคยเรียนรู้วิชามาเราเคารพท่านบูชาท่าน นั่งบาเพ็ญภาวนาสวดบนไหวพระท่องวิชาเข้าสมาธิฝึกจิตไว้จิตเราไม่ขดขู่มันมีพลังความกตัญญูความเมตตาความรักความจริงใจมันเป็นพลังใครจะข่มยังไงข่มไม่ลงคนที่ทัดทานอีกหน่อยก็หมดไป เพราะกำลังที่มาทัดทานเป็นฝ่ายมารสู้ฝ่ายทําไม่ได้ในที่สุดเพราะเกิดจากจิตแท้จริงพอเรามีเมตตาขึ้นมาคำสาปแช่งของจิตใจโยมจะหายหมดตั้งแต่บัดนี้โยมจะไม่มีความรู้สึกโกรธร้ายไม่รู้สึกความเจ็บปวดที่เขาเคยทำเรามา ไม่รู้สึกที่ต้องการให้คนนั้นจะต้องทุกข์ทรมารยโยมกับบอกว่าปรารถนาเขามีความสุขไม่ต้องการให้เขาตกละกัมลาบากขอให้เขาจงมีความเจริญเจริญถ้าโยมทําได้อย่างนี้จะมาบอกการภาวนาวันนี้ภูมิของโยมสูงขึ้นอีกไม่รู้อีกกี่พบกี่ชาตินะ ยมจะไปทำบุญอะไรก็ตามไม่สู้กับการทำใจวันนี้จากเสียงสามเช่งเป็นคำอวยพรถ้าทำได้นะ่ะอรยมสวรรค์สามชั้นาตมาให้เลยโยมอีกสามชั้นไปหาเองเรื่องจริงไม่พูดเล่นเมตตาเกิดโพธิสัตว์เกิด โหร้ายเกิดจิตมันก็เกิดอา้าวโยมจะเป็นบัวจมน้ำหรือว่าเป็นบัวพ้นน้ำมันอยู่ที่จิตโยมเนี่ยจะออห่อคุ้มหรือจะเบ่งบาทไม่มีสาบแช่งโยมกำหนดดูใจโยมยังสาบแช่งใครยังโกรธยังต้องการให้ใครต้องตกทุกข์ได้ยาก ยังต้องการให้ใครต้องพินาศถ้าจิตมีอยู่อย่างนั้นจิตโยมเป็นมานตอนนี้รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเขาจะทำเราเจ็บปวดแสบแค่ไหนก็ตามไม่ยุติธรรมหรืออายุติธรรมแค่ไหนที่ทำร้ายทั้งเราทั้งครอบครัวทั้งคนที่รักทั้งพี่น้องเราทั้งเพื่อนเราก็ตามโยมจงอโหสิ ให้มีเมตตาเขาเบียดเบียนเราเราโกรธแค้นเขาแล้วถ้าเราเบียดเบียนเขาละ่ะลูกหลานเขาตัวเขาเองจะไม่โกรธแค้นเราหรือถ้าเราทำอย่างนั้นเราเองก็ไม่ต่างจากมารเพียงแต่ว่าใครทำก่อนใครทำทีหลังมันต่างกันตรงไหนโย ระหว่างเขาทำเราและแค้นแลวเราก็คืนสนองเอาเลือดล้างเลือดยังไงก็ไม่เกลี้ยงยมเอาไปล้างดูเดเอาเลือดมาล้างเลือดล้างยังไงมือก็เปื้อนอาตมาเห็นแล้วเอาน้ำล้างเลือดน้ำสะอาดเท่าไหร่มือก็สะอาดเร็วเท่านั้น น้ำบริสุทธิ์มากเท่าไรก็ชำระได้ดีเท่านั้นไม่สาบแช่งเป็นคำวอวยพรเมตตาเป็นโพธิสัตว์โหดร้ายเป็นมารยอมเป็นมารหรือเป็นโพธิสัตว์ตอนนี้ดูเองจึงถามว่าภาวนาอยู่ที่ไหนหัวใจไม่ใช่อยู่ที่ยึดมั่นถือมั่น แต่อยู่ที่ใจเราให้อภัยมีเมตตาทั้งให้อภัยด้วยมีเมตตาด้วยโยมไม่ต้องขอจากสวรรค์ชั้นไหนนะบัดนี้โยมได้เป็นเทพไปแล้วเชื่อตัมมาเดตัมมาไม่ได้บุญเล่นโยมเป็นเทพไปแล้วจิตใจเป็นเทพไปแล้ว ร่างกายเป็นมนุษย์จิตเป็นเทพไปแล้วรอใช้กรรมพพนี้สิ้นสุดเมื่อออกจากร่างนี้ก็บังเกิดเป็นเทพประบุเทพวิดาทันทีเป็นแล้วนะแต่ต้องไม่ผิดกฎข้อที่สามเมตตาไม่มีสาบแช่งโยามาลองทวนตัวเองก็ได้ เมตตาไม่มีสาบแชคเมตตาไม่มีคิดร้ายอาโหสิยกโทษนี่เวนกรรมถ้ายมทำได้ความเจริญก็เกิดแต่ถ้าทำไม่ได้เป็นความผิดข้อที่สามทุกอย่างตลบปัดหมดชีวิตจะอยู่ด้วยไฟแห่งความโกรธ ความพยาบาทเสมือนความมืดที่ปกคลุมอยู่้วยความโหดร้ายสิ่งต่างๆที่จิตใจกาลังเกลี้ยกลาดก็เหมือนการแสดงอยู่ด้วยความดูร้ายต่างๆเหมือนทะเลที่กาลังคลั่งอยู่เรือลาไหนมาไม่ให้ผ่านจะจมมันให้หมดทาไมไม่คิดช่วยชีวิตทำไมไม่คิดเป็นโพธิสัตว์เป็นเทพ ใจญต้องเอาความโกรธมาเป็นมารมารเขายืมใจเราให้ทำชั่วเราถูกหลอกใช้มารมันหลอกใช้ใจเมื่อใจยอมเป็นมารเราเองก็ไม่พ้นทุกข์นี่คือผิดข้อที่สามเขายืมมือฆ่าเรา ยืมดาบฆ่าเราหลอกว่าทำเพื่อเราจริงๆทำเพื่อมานพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเลยให้หยิบดาบฆ่าคนนั้นฆ่าคนนี้ทำเพื่อให้หายความแค้นทำเพื่อต้องชำระหนี้แค้นไม่มีบุญคุณต้องทดแทนผู้เจ้าสอนหนี้แค้นต้องอภัย นี่คือเนื้อความของพุท ธ, ธะที่พระเจ้าตรัสสอนไว้ดัะนั้นพวกเราจะไม่ผิดกฎข้อที่สามจิตเมื่อมีเมตตาก็เป็นโพธิสัตว์เมื่อก่อนทำไมสงสัยโอคงยากกว่าจะเป็นโพธิสัตว์ได้โขาโถเข้าใจแค่พลิกฝ่ามือดำเป็นขาว เราสามารถทำได้จิตของเรานั่นแหละในข้อที่สจะสิ้นสุดหรือไม่สิ้นสุดที่จะมาบอกอิสระอยู่เหนือเสรีภาพทุกสิกยมรู้ไมมนุษย์ที่มีความทุกข์อยู่ได้ทุกวันนี้ที่ทุกข์อยู่เพราะมีความยึดถือ ใจจริงไม่มีคำว่าอิสระจรึงบอกธรรมะขั้นสูงสุดของพระพุทธเจ้าที่จะดับทุกข์ได้มีจิต ท, ที่ว่างเปล่ารู้ไหมว่าว่างเปล่าคืออะไรเมื่อก่อนจมากันว่าว่างเปล่าก็คือพ้วงเข้าไปก็ไม่มีอะไร แต่จริงๆก็เม่ความว่างเปล่าไม่ใช่คือสิ่งที่เราสัมผัสไม่ได้ไม่ใช่คือสิ่งที่ไม่มีสิ่งทุกอย่างยังมีอยู่แต่ว่างเปล่าอะไรที่ว่างเปล่ารักมากผิดหวังมากเกลียดมากโกรธมาก เราไปยึดถือมันมากเท่าไหร่เมื่อใจไม่รู้จักวางมันก็เจ็บโกรธแค้นเท่านั้นความทุกข์ก็จึงเกิดตามมาด้วยความโกรธแค้นยึดติดทุกข์ดับไม่ได้แต่เมื่อรู้จักจิตคำว่า ปล่อยว่าไม่ยึดมั่นทําจิตให้ว่าทุกอย่างผ่านพ้นไปใจไม่มีอะไรมีก็คือไม่มีไม่มีก็คือไม่มีมีและไม่มีก็คือไม่มีไม่มีก็คือไม่มีมีก็เหมือนไม่มีทุกอย่างก็คือเป็นอิสระชีวิตมี แต่จิตใจไม่มีชีวิตที่เป็นทุกข์มีแต่ความทุกข์ที่ว่างเปล่าว่างเปล่าของพระพุทธเจ้าเป็นชีวิตที่ว่างจากทุกข์อะไรเป็นทุกข์เหตุของทุกข์โยมต้องดับมปัญญาจะเกิดหรือไม่เกิดผู้ภาวนาบำเพ็ญจะเข้าใจหรือไม่อยู่ตรงนี้ สิ่งที่ล่ามาทั้งหมดเป็นทางเดินเป็นหนทางเท่านั้นแต่ที่สุดแห่งหนทางเหมือนคนเดินถึงสุดหน้าผาอันสูงชันที่เขาเรียกว่าเหวลึกทุกคนกำหนดเองจะกระโดดหรือยืนพิจารณาหรือนั่งสงบลง หรือหยุดอยู่กับที่หรือจะถอยกลับมักคาคืออะไรมักผลคืออะไรตัวตนคืออะไรโยมต้องอธิบายให้ใจฟังให้ครบหมดทุกอย่างนั่นคือคำตอบจะมาจริงเคยถามด้วที่สุดแผ่นดินอยู่ตรงไหน ถ้าเราจะเดินด้วยเท้าทุ ด, ดงไปที่สุดแห่งแผ่นน้ําอยู่ตรงไหนที่สุดแห่งขอบฟ้าจาั ก, กรวาลอยู่ตรงไหนสุดท้ายถามเหมือนไม่มีคำตอบและคําถามสุดท้ายที่สุดแห่งจิตวิญญาณคืออะไร โยมที่สุดแหง่งจิตวิญญาณคืออะไรไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ความทุกข์ที่สุดแหง่งจิตวิญญาณคืออะไรที่สุดแหง่งจิตวิญญาณคือความว่างเปล่าเขาถามว่า เมื่อที่สุดแห่งจิตวิญญาณคือความว่างเปล่าแล้วความว่างเปล่านิยามได้ว่าอย่างไรความว่างเปล่าคือที่สุดแห่งจิตวิญญาณความว่างเปล่าคือไม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บ มาตายดับศูนคือที่สุดแห่งจิตวิญญาณคำสุดท้ายคือดับศูนไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายดับศูนสัพพะทะวิมุตตสาน ในที่สุดเราจะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทั้งหมดเลยเมื่อหลุดพ้นแล้วก็ไม่ว่าใจของเราเองมันจบแล้วเมื่อจิต ด, ดับสูญเสมือน ไฟที่ไม่เชื้อหมดแล้วและไฟกองนั้นก็ดับลงถ้าตราบใดเชื้อยังไม่หมดไฟก็ยังไม่ดับถ้าเปรียบเหมือนว่าไฟดับเชื้อยังมี ก็เพียงแค่ข่มเมื่อมีผู้ใดมาจุดไฟนั้นก็ติดเชื้อต่อนอกจากเชื้อนั้นหมดไฟนั้นจึงดับแล้วก็ดับสูญฉันั้นผู้ภาวนาปฏิบัติสุดท้ายปรมาจารย์แห่งธรรมะทั้งหมด สิ่งสุดยอดทั้งหมดสิ่งยอดเยี่ยมทั้งหมดสิ่งสูงสุดทั้งหมดคือความดับสตรแต่ถ้ายังไม่ถึงที่สุดไม่ควรกล่าวคำนี้เพราะคำนี้ยากที่ปุถุชนจะเข้าใจ ยากที่จะอธิบายแม้บวดหลายภพชาติการภาวนาหลายภพชาติใช่ว่าจะเข้าใจคบว่าดับสูญไม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายนั่นคือที่สุดแห่งวิญญาณแต่ถ้าไม่ใช่ที่สุดแห่งวิญญาณ ยังต้องเกิดแก่เจ็บตายหรือไปปฏิสนธิอาจจะเป็นทิพยสมบัติในวิมานในพมโลกเทวโลกมรร์โลกหรือสู่อบายภูมิสีนั่นยังไม่ที่สุดฉะนั้นผู้ภาวนาปฏิบัติถ้าผิดข้อที่สี่ ใจที่ไม่รู้จักว่าน้ำตาสุดท้ายเมื่อรวมกันก็จะเป็นทะเลไม่มีวันสิ้นสุดและยุติและไม่มีวันจะเหือดแห้งไปเสมือนเป็นน้ำตาแห่งทะเลชีวิตมนุษย์ เวียนไหวตายเกิดจมอยู่กับหยาดน้ำตาจมอยู่กับทะเลชีวิตและคลื่นชีวิตก็ไม่มีวันสิ้นสุดนอกจากผู้นั้นดับสูดไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคำเดียวที่รอดเท่านั้น ไม่ว่าใครพระพุทธเจ้าก็ต้องถึงคำว่าดับสูดพระอระหันต์ก็เช่นนี้ไม่ว่าอารหันต์องค์ใดรูปใดจะเก่งอภินยาขนาดไหนสุดท้ายก็ต้องดับสุดที่สุดแห่งจิตวิญญา คือความดับสตรและเราจะไปหาที่สุดแห่งแผ่นดินขอบฟ้าไปทำไมในเมื่อชีวิตมันก็คือจิตวิญญาณจิตวิญญาณนั่นแหละคือชีวิตท่อนไม้ไม่มีชีวิตอันเป็นจิตวิญญาณมันจริงไม่ต้องรับรู้ความรู้สึกเอาไปเผามันก็ไม่ ไม่หมดแล้วมันก็สลายมันไม่มีโกรธแค้นเครื่องรักชอบเกลียดชังเพราะมันไม่มีจิตวิญญาณที่มารับรู้ความทุกข์อีกแล้วแต่พวกเรายังมียังมีทุกข์อยู่ทะเลแห่งทุกข์ยังไม่สิ้นสุด ทะเลใจเกียงไม่สิ้นสุดทุกคนกำลังลงอยู่ทะเลกำลังวหว้อยู่จะขึ้นฝั่งได้หรือไม่ตอบแทนกันไม่ได้โยมต้องเข้าใจเองอาตมา ก็ต้องศึกษาพระธรรมด้วยใจเหมือนกันถ้าศึกษาพระธรรมด้วยคำว่าจำอย่างเดียวมันอยู่ในวังวนไม่รู้จักออกยมศึกษาดูมนุษย์ผิดพลาดในข้อที่สี่เยอะมาก ไม่รู้จักปล่อยวางรู้สึกว่าถ้าปล่อยจะเสียเปรียบถ้าปล่อยจะเสียดายถ้าปล่อยจะสูญเสียถ้าปล่อยแล้วเราจะหมดทุกอย่างเมื่อคิดอย่างนี้มันก็ไม่ถึงที่สุดแห่งจิตวิญญาณความผูกมัดมีไม่รู้จบทะเลคลั่งหวังน้าวน จะจบด้วยเหตุผลอย่างไรโยมดูใจของโยมเองเอละการสมควรในการบรรยายก็ขอยุดติแต่เพียงเท่านี้